ปฏิบัติแล้วทําให้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยชีวิตจะหมดปัญหาจะไม่มีความทุกข์ใดๆมากล่ากลายแล้วอีกประการนึงก็คือทําให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวั น, นมีความสุขแล้วก็ปราศจากความทุกข์อันนี้สูว่าเป็นสิ่งสุดยอดปรารถนาของทุกชีวิตหละเพราะว่าเราได้ที่พึ่ง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 คือความเห็นผิดอย่างเช่นเวลาเราเกิดอารมณ์ที่อยากขึ้นมาในจิตใจเนี่ยสารพัดอยากอยากได้สิ่งภายนอกตัวอยากให้เรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้เราเป็นคนนั้นคนนี้นี่คือความอยากสารพัดที่มีในจิตใจเราเนี่ย เราไม่ต้องไปทําตามความอยากก็ได้เราเกิดมาเพื่อจะทําตามความอยากทุกครั้งทุกกราไปเลยเราต้องฝึกเอาชนะความอยากเราลองมีสติรู้ทันในความอยากดูสิ อ, อ๋อนใจเรามันอยากแล้วนะความอยากนี่เป็นนา ม, มาทำเราอย่าเพิ่งทําตามถ้าความอยากไม่หายไปแสดงว่าสติเรายัางอ่อนอยู่ไม่เป็นไร เราก็วางไว้ก่อนตรงนั้นล่ะแล้วลองกลับมาดูที่กายของเราสิฝ่ายของรู ป, ปรธรรมรู ป, ปรธรรมเนี่ยคือกายเอากายมาเคลื่อนไหวไปมาเดินจงกรมยกมือกระดิกนิ้วออมีสติจับ ด, ดูรู้อยู่ที่กายของเราเนี่ยให้มีปัจจุบันอยู่ที่กายของเราเนี่ยเดี๋ยวความอยากก็หายไปไม่ต้องไปทาตามความอยากหรอชนะแล้วเรือบางทีมันอาจจะ เมอยลมโกรธหงุดงิดอึดอัดขัดเคืองมากระทบจิตใจของเรามีสติรู้สักหน่อยมาอ่อนนิใจเรามันงุนงิดแล้วนะเป็นทุกข์แล้วนะโกรธแล้วนะเอาสติรู้ลงไปโอ้เนี่ความโกรธเนี่ยมันเป็นนามาทำมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นนามาทำคนที่มีสติดีเนี่ยความโกรธจะหายนะอาจจะหายช้าหน่อยค่อยๆจางคลายไปก็ไม่เป็นไรหรอก ค่อยๆค่อยๆ ค, คลายไปละกันถ้าสติเราไม่เข้มแข็งพอเนี่ยความโกรธก็ยังอยู่ยิ่งดูยิ่งโกรธก็มีนะแไม่เป็นไรเราอย่าไปดูเขาเราวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนตรงนี้นะนำมาทําความโกรธวางไว้ก่อนนะเราลองกลับมาดูรูประธรรมสิดูกายที่เคลื่อนไวนหวใช่ไหมเคลื่อนไหวไปมาเดินจงกรมเดินเร็วๆขยับขยื่นเคลื่อนไหวเร็วๆที่รูปประธรรมเนี่ย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 จะหนีไปไหนเราผู้เจ้าสอนว่าทุกให้กําหนดรู้นะทุกไม่ได้หนีไปไหนพอเรารู้ว่ามันเบื่อเซงิงอ่านนามธรรมานะแล้วก็มาเคลื่อนไหวของเราเเนนีี่่ยยจับของใกล้ๆตัวใช่ ไ, ไหมทูๆอะไรใกล้ๆตัวเนี่ยไม่ใส่ใจที่รูปธรรมเนี่ยพอเราไม่สนใจกั น, นามธรรมาคือความเบื่อความเซง็งเดี๋ยวมันก็หายไป บางทีมันเกิดความคิดฟุ้งซ่านอนอนไม่หลับนะเอ๊ะทําไมมันจึงนอนไม่หลับก็เพราะความคิดนี่แหละมันกวนจิตกวนใจความฟุ้งซ่านไอ้ฟุ้งซ่านเพราะว่านะมีอารมณ์ตามมาคืออรารําคาญใจนี่โอ้โหนี่ตรงนี้แหละทุกข์หนักไม่เป็นไรนั่นเป็นส่วนของนามธรรมานะความคิดความฟุง้งเราทิ้งอาการตรงนั้นซะ ลองกลับมาดูรูปธรรมดูกายเคลื่อนไหวดูกายถ้ามันฟุ้งมากๆเนี่ยเราลองใช้วิธีการสวดมนต์บางก็ได้สวดมนต์ผู้ พ, พทุทธคุณธรรมคุณสังกัตคุณเนี่ยสวดง่ายๆเนี่ยหรือฝึกแผ่เมตตาเนี่ยเป็นอารมณ์บุญทั้งนั้นเลยเปลี่ยนอารมณ์บาปมาเป็นอารมณ์บุญเปลี่ยนอกุศมลมาเป็นกุศลได้ทันทีเลยสติที่เราเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ตรงเนี้ เปลี่ยนมามง่ายๆใช่ไหมไม่ต้องไปไหนไม่ต้องหนีไปไหนนี่แหละคือนิสัยของนักปฏิบัติทํำสิ่งที่ยากให้มันง่ายเนี่คืออุปนิสัยของนักปฏิบัติคนเราเนี่ยเวลามีปัญหานะโดยเฉพาะปัญหาที่จิตใจเรามักจะมุ่งที่จะเอาปัญหาออกจากจิตใจ อันนี้ก็ดีอยู่เราไม่เคยที่จะเอาใจเราออกจากปัญหาเลยเอาปัญหาออกจากจิตใจกับเอาใจออกจากปัญหาเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยค่ามันต่างกันมากเลยอะไรที่มันทําง่ายกว่ากันอะไรที่มันทํายากกว่ากันเช่นเวลาเราเห็นความคิดความโกรธเนี่ยเรามาจะผลักดันความโกรธใหออกไปจากจิตใจเราซึ่งบางทีเรายิ่งผลักใส่มันยิ่งโกรธมันยิ่งคิดใช่ไ้ย ม, มันยากแล้ว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 มันง่ายกว่ากันเนี่ยมันเป็นทางผ่านของอารมณ์อารมณ์เนี่ยคือทางผ่านของจิตใจเราด้วยนะเขาเรียกว่าด่านอารมณ์สติเนี่ยผ่านด่านอารมณ์ได้ผ่านใหม่ๆอาจจะรู้สึกว่าโอ้มันอัดมันยากแต่พอผ่านอารมณ์มาได้แล้วเนี่ยมันจะมีความสุขมีปิติในธรรมมีปิติในธรรมเมื่อเราที่เราเดินทางไปไหนก็ตามเนี่ยทางรถยนต์เนี่ยเราเจอจุดตรวจเจอด่านเยอะแยะเลย ใหม่ๆก็งุดหงิดเฮ้ยไม่น่ามาตรวจมันทำไมไม่มีเวลาเวลามาเรื่องไงเราจะรีบไป เ, เห็นไหมเรางุดหงิดกับไปด่านตรวจแต่พอเราผ่านด่านไปแล้วเนี่ยใจเราเป็นยังไงโอ้ขอบคุณกันเนาะคุณตำรวจเนี่ยเขาให้ความปลอดภัยของเราดูแลเอาใจใสนะ่เห็นไหมใจเรามันดีด้านอารมณ์ก็เหมือนกันรู้สึกหงุดหงิดเวลาเกิดอารมณ์แต่ถ้าเราเอาชนะได้ใจเราจะสบายนี่เราพิติในธรรม ไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่เสียงเงินได้สติได้ปัญญาอารมณ์บางอย่างเนี่ยเราอย่าไปมุ่งที่ขจัดเขาไปต่อต้านเขาเหมือนอย่างกับเอาน้ำมันไปลาดกองไฟใช่หมเขาก็ลุกฮือขึ้นมาแต่ถ้าเรายอมรับรู้รับทราบนะโอ้มันก็เป็นอย่างนี้เองเนาะความคิดนามันตามไปเรื่องธรรมดาแค่รับรู้รับทราบเนี่ยเนี่ยเท่ากับเอาใจออกจาก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 เพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยมาอยู่ถึงวันนี้ได้เนี่ยเป็นชีวิตใหม่สลหรับเราแล้วเปลี่ยนชีวิตใหม่ซะเลยเปลี่ยนชีวิตใหม่โดยการใช้รูปใช้นามที่มีอยู่ในตัวเราที่สมมติว่าเป็นเราเนี่ยรูปนามนี้ไม่ใช่เรานะแต่เราสมมติหน่อยสมมติว่ารูปนามเนี่ยมาเป็นเราเพื่อทำหน้าที่หน้าที่พ่อหน้าที่แม่หน้าที่ลูกทาหน้าที่